มันจะออกมาจากที่นอนเมื่อไร่ผมไม่ทราบครับผมไม่ได้สนใจแต่เท่าที่รู้ภายหลังน่ะปรากฏว่าเมย์ออกมาคุยกับแง่สายก่อนผมนั่งตากลมอยู่คนเดียวหลอนคงจะเหลือบมาเห็นก็เลยเดินเข้ามาพูดด้วยผมยังถามเลยว่าฮอปมั่นอยู่ไหนหลอนก็บอกว่าหลับแล้วพูยกันอยู่สักพักหลอนก็กลับไปนอนเท่านั้นเองเหรอก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นนี่ครับฉันคิดว่ามีนะถ้าตามไม่ฝาก อะไรครับไม่หันหลังกลับเหมือนจะรีบผลาไปอย่างกระทันหันแต่คุณฉุดตัวเขาไว้รบพินเลิกคิวแล้วพยักหน้านิดหนึ่งอ๋อไม่ใช่ฉุดหรอกผมกระชากให้หลอนกลับมาก่อนที่จะเดินหนีไปเฉยๆดีเดียวหละหลอนน่ะพูดทิ้งท้ายบางสิ่งบางอย่างให้ผมข้องใจแล้วก็จะเดินหนีไปผมต้องการให้หลอนพูด่อกไปอย่างกระจังนั่นคือสิ่งที่คุณหญิงเห็นคล้ายๆกับว่ามีการยื้อยุด หรือลวนลามอะไรขึ้นไม่พูดอะไรให้คุณไม่พอใจเหรอครับผมรับว่าไม่พอใจอย่างมากแล้วเขาก็รู้จะซอกแซกและลาบและล้วงเกินฐานะไปมากไหมถ้าฉันอยากจะรู้บ้างจอมพรานขยับปากแต่แล้วชงนะงักแน่ละ่ะลูกผู้ชายอย่างเขาไม่อยู่ในฐานะที่พูดอะไรเพื่อให้ผู้หญิงสองคนม้างเมินผิดใจกัน หรือหวังผลประโยชน์แต่ตนฝ่ายเดียวแม้ว่าคนหนึ่งเขาจะบูชายกย่องส่วนอีกคนหนึ่งเป็นคนที่เขาไม่ศรัทธาจนนิดเดียวดารินจะชังนหน้ามาเรียนในทันทีหากเขาบอกความจริงออกไปเพราะข้อความที่แมม่สาวเลือดร้อนพูดทิ้งท้ายไว้กับเขาคืนนั้นมันเกี่ยวกับเกียรติยศของราชส ก, กุลสาวโดยตรงสเสนอน่านิยมและควรับการยกย่องของดารินก็คือ ความเป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬาและเผื่อแผ่เอื้อเฟื้อกอบด้วยความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ถ้าหล่อนรู้ความจริงว่ามาเรียเอยถึงหล่อนเช่นไรในคืนนั้นความรู้สึกในส่วนดีงามเหล่านี้จะผันแปรไปในทันทีและเขายังไม่ต้องการให้บุคลิกส่วนดีของราชสกุลสาวต้องสูญเสียไปและถ้าจะว่ากันไปตามจริงแล้วมารียฮอปมันก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะหมิ่นอะไรดารินทั้งสิ้น หลอนพูดไปเพราะความขนองนิสัยโลดโผนเปิดเผยและหวังเพียงเพื่อจะยั่วคเขาเท่านั้นแล้วเขาก็เสียหัวเราะเบาๆอัมพรางมาว่าคุณหญิงโปรดทราบแต่เพียงว่าเมดูมินผมก็แล้วกันเราเคยมีเรื่องเกี่ยวข้องกันมาก่อนอย่างที่คุณหญิงก็ทราบอยู่แล้วนี่ครับว่าครั้งหนึ่งผมเป็นลูกจ้างของฮออมันเรื่องมันก็อยู่ในทำนองว่าหลอนหาว่าผมเนี่ยเห็นกันได้ งบเงินค่าจ้างสามีของหล่อนจ้างในราคาเบาไปหน่อยผมก็ไม่ยอมเอาที่คุณชายเชษฐถาให้ราคาสูงก็ยอมแม้แต่ขายชีวิตให้อะไรเถื่อกนั้นแหละครับโอ้อญิงสาวครางออกมาพร้อมกับหัวเราะ น, น้อยๆข้าวหน้าสดใสขึ้นแล้วพินรอบถอนใจอย่างโล่งอกที่โกหกหล่อนได้อย่างแนบเนียนฉันเข้าใจละเรื่องนั้นเองละ หล่อนดักจะตอบว่าผมมาตั้งแต่พบกันครั้งแรกแล้วล่ะครับแต่ไม่มีโอกาสพอเห็นผมอยู่คนเดียวก็เลยพูดขึ้นความจริงขนาดที่เมยืนพูดอยู่กับผมะแต่ว่าสองต่อสองรับตานะก็ไม่ใช่หรอกครับเพราะมีแง่ายนั่งอยู่ที่กองไฟคนนึงถ้าคุณหญิงยังไม่เชื่อสงสัยยังไงอีกก็ถามเจ้าองครักประจําตัวของคุณหญิงดูได้นี่เอ๊ะทำไมจะต้องโยนกลองไปถามแง่ายหล่อนเอียงคอถาม ผมเป็นผู้ถูกสงสัยในทางบาปหรืออีกนายหนึ่งเป็นจำเลยผมก็ต้องหาพยานพิสูจน์ในความบริสุทธิ์ของของตัวสิครับและพยานนั้นก็ต้องเป็นพยานที่มีน้ำหนักด้วยคือเป็นพยานที่คุณหญิงพอจะเชื่อถือได้อ่ะแล้วรู้ยังไงว่าฉันเชื่องแง่ทรายก็เห็นคุณหญิงศรัทธาเชื่อถือองคครัก์ประจําตัวนั่นมาตลอดไม่ใช่หรือครับคอยรู้ไว้ด้วยนะ ฉันก็ไม่ได้เชื่อมัน่นศรัทธาแงาสายมากไปกว่าพรานนำทางของฉันหรอกเว้นไว้แต่ว่าบางขณะจะหมันไส้ในความขี้เก๊กของเขาบ้างเท่านั้นและถ้าคุณมั่นใจในเกียรติยศศัจธรรมของตัวเองก็จำเป็นอะไรที่จะต้องอ้างอิงพยานเอาละ่ะฉันเชื่อคุณขอบคุณมากครับที่ให้โอกาสผมอธิบายความจริงบาปจะได้พ้นตัวสัทีผมไม่ทราบนะครับว่าคุณหญิงเห็นเหตุการณ์ในคืนนั้น แล้วก็เข้าใจผิดผมมาจนถึงเดี๋ยวนี้โชคดีเหลือเกินที่ถามขึ้นโปรดอย่กคิดว่าผมแอบนัดพัญญาของเขาออกมาพบในยามวิการขณะที่สามีหลับเพื่อประกอบความชั่วถ้าผมเป็นคนผิดศีลผิดศัตว์ถึงเพียงนั้นป่านนี้เจ้าป่าลงโทษแล้วในสถานการณ์ขับขันตัวเองจะเอาชีวิตไม่รอดเมื่อตอนเย็นวานนี้คงไม่บรรดาให้ใครสักคนหนึ่ง มีน้ำใจการุณเมตตาเสี่ยงตายอยู่เป็นเพื่อนช่วยชีวิตผมไว้หรอกครับแม่บทจะพูดให้เข้าหูก็พูดได้เก๋ดีเหมือนกันนี่หล่อนว่าปนหัวเราะรื่นตวัดหางตาผ่านใบหน้าเหมือนจะกคอ น, นิดๆมันไม่ใช่เพราะอานิสงผลบุญอันเนื่องมาจากศีลหรือสัตว์อะไรของคุณอย่างที่ว่านั่นรอกในการที่ใครคนนึงยอมร่วมสถานการณ์ร้ายกับคุณด้วย โดยไม่ปล่อยทิ้งให้ตายคนเดียวต่อให้คุณเป็นคนชั่วแอบตีท้ายครัวเมียของเขาจริงๆไม่ภาวะเช่นนั้นฉันก็ทิ้งไม่ได้หรอกเพราะคุณเป็นคนของเรามีความสําคัญยิ่งยวดสําหรับการเดินทางข้างหน้ามันเป็นลอจิกตักกศาสตร์ธรรมดาธรรมดานี่เองแล้ดารินก็เมินไปทางหนึ่งสีหน้ายังยิ้มยิ้มอยู่เช่นนั้นกล่าวเสียงเบาใสาต่อมาว่า แต่ต่อปนี้เห็นจะไม่เป็นไรแล้วละมั้งเมกลายเป็นไม้สามีตายไปซะแล้วเช่นนี้ก็คงไม่มีใครตําหนิติฉินคุณได้หรอกกระพินไพรวันสะดุ้งวา่าในคําเน็บอันคมกริบนั้นรู้สึกเหมือนใบหอกเสียบทะลวงเข้าเฉือนหัวใจหอกวาจาของดารินวราฤทธิ์คมยิ่งกว่าหอกอันเป็นอาวุธของสางเขียวซะอีก